อาหารมื้อสุดท้ายนะเนี่ยหลังจากนั้นก็ดรันนี้นานนะนีอาหารมื้อสุดท้ายเนี่อะไรนะเออพระพุทธเจ้ากินเห็ดพิษนะฉันเห็ดพิษแล้วเกิดอาเจียนเกิดเป็นเอามากคือไปที่สวนในจุนทะเนี่ยเขาทําสวนมะม่วงเขาตัดฟืนอยู่เห็นพระพุทธเจ้ามาเขาก็เลย อาหารไปถวายแต่ว่าพอดีเขาได้เห็ดมากระจุกหนึ่งก็เลยเอา้าพระพุทธเจ้าเลยว่าโอ้พราะงั้นก็ไม่เป็นไรก็แกงถ้วยนย้น้อยเองหรอกพระตามไปด้วยหลายรูปแต่ไม่ได้ฉันเพราะว่ามันมีน้อยแต่พเพื่อนในเห็ดที่ไปถวายพรพุทธเจ้านะ่ยมีเห็ดพิษอยู่ด้วยมันมีพิษแต่เขาก็ไม่รู้นะบ้านนอกบ้านอะไรเราเนี่ก็ขนาดคนชํานาญก็ยังเจออยู่เรื่อยๆนะ เห็ดผิดน่น่าจะเป็นแกงเห็ดและงอกนะเนแต่มันมีเห็ดละงากอยู่ด้วยในนั้นเลยห้าทั้งออกนะพุทธเจ้าคนแก่นี่ถ้าเมาเห็ดแล้วจะแย่นะเบื่อเห็ดนะจำไว้เด้อพระพุทธเจ้าตายเพราะเออเบื่อเห็ดนะท่นเบื่อเห็ดเภาษาศัพท์ บาลีเาเรียกว่าสุกรมัทวะเห็ดอันเนี้ยชื่อเห็ดบ้านเราเรียกว่าเห็ดหมูหนูเนี่ยรู้จักไหมแต่เราก็บอกเคว่าเขาเขียนว่าสุกรมัทวะคนไปแปลววายเพื่อนกินเนื้อหมูเพะนะอ่ากินลาบหมูมือสุดท้ายนะ่ะสุกรมัทวะไม่ใช่ เหมือนหูหนูนี่แหละเห็ดหูหนู ห, ห, นหูหนูนี่ไม่ใช่ไปกินหูหนูนะใช่ไหมกินอะไรเออเห็ดหูหนูอันนี้ก็สุกกรมาตัว่าเห็ดสุก่รมาตัว่าเห็ดหมูอ่อนเขาเรียกเห็ดหมูอ่อนหมูมันก็ชอบกินนะเห็ดอันเนี้ยแต่ว่าในนั้นมันมีเห็ดพิษอยู่ด้วยพวกที่เขาโกรธไหมไม่โกรธโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเหมือนได้ลูกได้กินมันนมจากมารดา กินนมมารดาเนี่ยอิ่มแล้วสุขภาพดีไม่เป็นลายไม่เป็นอะไรขอทวดด้วยนะครับขอทวดนะครับผมปิดไปแล้วเนี่ยผมปิดไปแล้วพระที่ยังไม่บรรลุธรรมึงเบื่อพระพได้เจ้าดิเฮลุกขึ้นเนี่ยฮันสิกระทืบไหมพระเนี่ยจะลุมกระทืบนะต่อไปนี้เนี่ยนึกว่ามาเบื่อเมาพระพุทธเจ้าจะฆ่าพระพุทธเจ้าไงเอาเห็ดพิษให้กินเนี่ยเพราะสมัยก่อนเนี่ยพวกต่างศาสนานี่มันเยอะกันมากพวกนี้คนพวกอะไรต่างตนี่เห็นไหม เอาสติมาล่อนาลีพิฆาตอะไรของของพระเลวตะนะเรื่องลีลาวดีเนะี่ยเรื่องนั้นเรื่องนี้ร้ายองค์นะศา ส, สนานิครศาสน า, นาส่งคนนั้นมากับพระพุทธเจ้าเดี๋ยวส่งช่างส่งคนธนูคนอะไรต่างๆนกิ่งหินทำมันมาอยู่เรื่อยๆอยงไงอันนี้กเนียมันปลอมมาหรือเปล่าพระที่ยังไม่บรรลุธรรมเขาก็โกรธนะนะ นี่เป็นที่มานะเขาลุมกระทืบเนี่ยว่าคนนี้มันรับไม่ได้รับไม่ได้ตายเสเธอมึงเขาเรียกว่าแผ่นดินสูบแผ่นดินสูบที่จริงก็คือสหบาทาคือหอนะุ่มกระทือบเหมือนนะลุมกระทืบจมดินเขาเรียกว่าจมทรณีไงนี่เนี่ยพอเธอระวังดีๆเนี่ยปฏิบัติไม่ดีเนี่ยสหบาทาพระนะลุมกระทือบนะอืม เขาเรียกว่าแผ่นดินซูบคนนี้มันชั่วมากเห็นไหมไปทำแผนประกอบคำรัะสภาพประมาณนี้ประชาทันเลยเนะยประชาทันบ้านเรานี่ประชาทันตลอดแต่อินเดียนี่ที่คนค่มคืนนี่เนะี่ยเขาจับได้เข้ามานี่ไม่ประชาทันนะกฎหมายเขาแข็งนะเขาไม่ได้ประชาธิรนเนยะแต่ของบ้านเราทำอะไรเล่นๆ น, น, น้อยก่อนทำทายจูงผ่านคนเยอะๆแล้วตารวจเนะี่ยมันยั่วน่นะเออ คับละเล็กละน้อยนี่นนะแย่ลำบากนายนี่ชื่อว่านายอะไรนะฮะนายจุนทาเนเขาก็หวังดีไหมพระพุทธเจ้าเลยตรัสแสดงทำก่อนก่อนนี้คนก็ว่าคนก็ว่าพุยยาพุยายาจะทำเขาพุทยาเขาพูดว่าทานที่มีผลมากมีอนวสงมากมีสองอย่างมีสองครั้งหนึ่ง ทานที่มื้อสุดท้ายที่ถวายแล้วแตถาค ต, ตัดสรู้ใครถวายเ อ, อนางสุชาดาสุชาติไปว่าเกิดดีเกิดดีเกิดมาแล้วงามเป็นคนเกิดความรู้สึกตัวได้ง่ายๆสุดีงามง่ายนางสุชาดาถวายกับอาหารมื้อสุดท้าย อาหารมื้อสุดท้ายใครถวายนี่ในหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาไปเขียนของพระเยซูนะอาหารมื้อสุดท้ายนะเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมอาหารมื้อสุดท้ายเสร็จจากนั้นเขาก็เอาอันนี้เป็นเาขาโค้งเรื่องแล้วมีสาวกคนหนึ่งในนั้นที่มาเขียนเรื่องอะไรนะเออรหัสลับเนี่ยออกมาจากอาหารมื้อสุดท้ายนี่แหละ เรหลวงตาคือเบื้งหลนเนี่วแท้มันยังไงอ๋อพระเนะาะพระพระต้องหูจักหลเนี่ยเดาไปสละอิลาห์คนั้นมากกว่าเราสุฟังคนนี้กว่าเราสุฟัง ก, กัเ ข, ขาใจน้องเขาอืมเขาเออกไปจชนนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนี่หลวงตาว่าสามารถแตกปลอกได้เนี่ยณจุดนี้นี่เขียนวนวนิยายได้เนี่ยออกไปได้เลยแหละเขาเอาจากภาพวาดนะอาหารมื้อสุดท้ายเนะ่ยในในในนั่นก็นนนนไปเลยทีนี้ อันนี้ก็เหมือนกันเนีนายจุนทะเนี่นายจุนทะอาหารมื้อสุดท้ายมีผลเท่ากันนะอาหารที่ให้ตัดสุล ก, กับอาหารที่ตายเนี่ยเท่ากันอย่าไปติติงเขาพระพุทธยว่าอาหารนี่ถือว่าเทศยังไงนายนี่ก็ไม่คลายความโศกมึงมอย่าไปเชื่อผ้าหน่วยว่าพระพุทธเจ้าเอาชนะมึงนี่แหะมึงนี่แหละมึงข่าวพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้พระพุทธเจ้า ก, ก็เทศไปเลยเด็กครับพระนุ่าเทศก็สร้างแล้วมึงเหตุไหม มึงใส่น้ำปลาที่พลรรัดบ่หละอย่างหลายอย่างนะผมใส่หอดขนอพัวแล้วะ ร, <c oughs> รถดีบ <c oughs> ่เนะ่ยทไม่เป็นก็อร่อยได้เนี่ยนะใส่อยู่เสียดายตรงนี้นี่มีเด็กคนหนึ่งนะมันอยู่ป .6 มันว่าปฏิวัติธรน่ยกมือขึ้นเลยตาข้าลงตาข้าหนูสงสัยค่ะสงะสงัยอะไรหนูแสดงว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่มีตาทิพซิคะ มันเรื่องอะไรลนะ่ะแล้วท่านไม่ทําไมไม่เห็นเหตุผิดล่ะคะนี่นะโอ้โอ้ถ้าเป็นนี้พระพุทธเจ้าก็เป็นคนธรรมดาสิคะว่านะท่านเป็นคนธรรมดาแต่ท่านบรรลุธรรมใช่ไหมคะท่านไม่ทุกข์ใช่ไหมคะนี่นาะหลวงตาโ อ, <c oughs> โอ้เหย็ดเหยีดเยดยด <c oughs> ใช่แล้วหนูเอ้ยเข้าใจได้ถูกต้องนี่เนาะโอ้หนูว่าพระพุทธเจ้าเหมือนเทวดาตาทิพย์เห็นนะั้นเนี่ยนี้พระพุทธเจ้าก็คือคนเรานี่แต่ท่านไม่ทุกข์ มันเข้าใจดีจังนะไอเนี่ยไอ้คนนี้แหละที่ที่มันตกเก้าอี้เนี่ยนะที่ตกเก้าอี้แล้วตกลงไปมันว่าเฮ้ยหนูไม่ได้ทําอะไรให้อะแล้วทําไมเก้าอี้ทําไมความง่วงมันมาผากดูหน่อยนะคนนี้แหละมันเข้าใจอะไรได้ดีมากไอคนเนี้ยดีมากนะเราคิดยังไงเน่ยพระพุทธเจ้ามีตาทิพย์ไหม พระพุทธเจ้ามีตาทิพย์ท่านรู้อยู่ว่าท่านบอกว่าอีกสามเดือนจะถาคตจะปรินิพานบอกมาถึงตอนนี้เขาเป็นตามนี้นะอีกสามเดือนตอนนี้มันถึงสามเดือนอะไรท่านจะปรินิพานท่า น, นท่านก็เป็นธรรมดาบางคนว่านะนะแต่ถ้าเข้าใจก็คือธรรมชาติธรรมชาตนะิพระจะมีช้อนเป็นช้อนไม้ไม่ข่อยนะพระเนี่ยจะมีเพราะว่าพระจะมีช้อนอันนี้มันจะจุ่มลงไปใน แกงเวลาจะฉันในสักพักแล้วท่านจะนั่งพิจารณาถ้ามันเป็นพิษเนี่ยมันจะดําขึ้นมาเลยนะจอปะนะแต่ท่าน <c oughs> าานั่งพิจารณปราปฏิสังขโยนี่สุดพอสักพักเนี่ยพอดึงกันมาดําโอตายพิษไม่ใช่ว่าคนจะมาทําลายนะแต่ว่าพระนี่สุดมากกินแกงเห็ดแกงหอยตําองต า, ต า, ต า, ตาป่ากินกะรกกะดกกระดากิน อะไรประมาณเนี่ยมันเป็นพิษเป็นภัยอยู่เนี่ยนกะ็จุ่มลองดูจะรู้จักแต่ก่อนเป็นเปลือกเป็นมันมาก็เสียบจุ๊บเข้าไปในนั้นปุ๊บมันก็จะดํำออกมาพิษมันนะพระจะรู้นะแต่นี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่ได้กินไปะนะคือโยมเขามาถวายมันก็ง่ายนะไม่ได้มีอะไรเป็นพิษนะเป็นว่าจะเดี๋ยวนี้มันกินมากเท่านั้นเองนะไม่ใช่เป็นพิษหรอกเป็นโรคเดี๋ยวนี้โรคไไข้เจ็บโรคไตโรคเบาหวานโรคเอดเอดโรคเอืดโรคอะไรพวกเนี้ย กินมากนั้นพวกเราทั้งหลายพระพุทธเจ้าในท่านมีเมตตากับทุกอย่างเอา้าายปิดสนาธรรมาหนึ่งคืนท่านบอกว่าท่านจะไม่สอนคนแล้วโอ้ยปฏิบัติธรรมนี่ยากเหลือเกินคนมันสอนยากมีอะไรมาอารัธนานั้นๆนั้นๆนั้นๆพระพรหมจริงๆพระพรหมไม่มีนะไม่มีใจตัวเอง จิตตัวเองนั่นแหละตอนนี้เป็นจิตจิตวันหนึ่งวั น, วนบางวันเป็นพรหมบางาครั้งเป็นมารบางครั้งเป็นเปรตบางครั้งเป็นอสูรกายบางครั้งเป็นพระบางทีมันหมุนไปเรื่อยๆใจเราบางทีพอนึกไปนึกมาก็พรหมลงมาในใจเข้ามาเริ่มเกิดเมตตาต่อคนเนะอ่มคนที่จะบรรลุก็มีนะคนนั้นเหมือนดอกบัวนะสีเราเนี่ย ไม่ใช่าพระพูดที่เจ้าตัดสู่แล้วยังไม่รู้แจ้งไปนั้นจนให้คนมาสอนนะพระพรหมมาสอนถ้างนั้นพระพลดว่าบรรลุทำเองก่อนดิใช่ไหมมีเทวรามาดีดินมาเฮ้ยท่านอยาเอาจริงนักทําเหมือนสายพินนี่ดิไม่ใช่มันไม่ ม, มีคนมาสอนพวกท่าจิตของท่านเองระลึกรู้เองอ่ะอันนี้ว่าจิตเป็นพระอินทร์จิตเป็นพระพรหมมันปรากฏกขึ้นเองอ่ะท่านเลยมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาขึ้ ช่วยเขาคนไหนช่วยได้ก็ช่วยคนไหนช่วยไม่ได้ก็วางเนี่มุทิตาพอ ย, ยินดีทําไม่ได้ก็อุเบกขาเจ๋ยธรรมดาเนี่ยเออเอาเถอะสอนไปคนไหนได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปเหมือนมันมาได้หลยคนไหนได้ก็ได้คนไหนไม่ได้ก็นีเปีย้ยสอนตามอัตภาพและต บ, บุญ แล้วถ้าบุญถ้ากรรมมาผู้ใดเฮ็ดได้ผูใ้ใ ด, ดเฮ็ดดีก็ดีผู้ใดเฮ็ดผู้ ด, ด, ด, ด, ด, ดีก็ฟ้าตั้งใจแล้วเฮ็ดแล้วก็จะเข้าใจเหมือนอย่างนี้พระพุทดธดเจ้าทั้งก็เป็นแบบนั้นแหละเขาเรียกว่ามีพรหมมาลาศธนาะพรหมเนี่ยคล้ายๆว่าพรหมมาจะโลกาอะอ ะ, อ, ะอะอะเวลาเลาะลาศธนนะนะ <c oughs> ใช่ไหมที่ปฏิสังปติกอันเลาถาไปซื้อไปไปไปซื้อไอ้เหล็กเมื่อวาน พอดีไปฟังเสียงเสียงคนอรัตนานะ่แต่เขาเปิดในหมอลำมันอลัตนาแบบนี้เลยไม่รู้ยังไงอะ่ะในหมอลำในในใเนี่ยเขาเปิดวิทยุทิ้งเอาไว้นะเสียงมันดังมากโลตาเนี่ว่ามีแต่โลตาพูดคนเดียวพอมาจากโลกะอะอะอะอะไม่ต้องอารัตนาแบบนี้เนะีดวงตาของเทศไม่ออกอะ่ะถ้าอลัตนา ใส่มากไปอ่ะคือคืออย่างนี้ยพรมมาจะโลกการหมายว่าพระสงค์เจ้าขาขอเมตตาสอนแก่เขาพรเจ้าด้วยเถิดพรมมาก็หมายว่าขอให้ท่านดํารงความเป็นพรมอยู่ในใจตลอดไปเถอะพรมมาคือพวกนู้นประเด็จสลัดประเด็เดชหลวงพ่อสอนใดก็ได้เด้อสอนเมื่อไรหลวงพ่อก็ว่างเด้อไหนนะพรมมาเจะโลการยังให้เด้อลับเน่กับพระเป็นอย่างเด้อหลวงพ่อเด้อถือประโลดเด้ออย่านี เขาเรียกว่าพรมมาคือหมายว่าซ้อนใดก็ไดซ้อนบ่ไดก็สร้างนะให้ซ้อนตามลาดับเด้อหลวงพ่อเด้อเนี่พรมมาคือเมตตามีเมตตามีแตเมตามเมตาคิดน้าซุมหนูแน่หนูทุกข์พ่อตายได้ในคิดหลายนี่เจ้าเสียจ้าไหนเนี่ยอกหักหลักรลอยค่อยงานสังขารส้มจังใดมากเนี่ก็ไดเนี่ยเวลาไม่มีเมตตามเมตตากะลุ่หน้าแน่นะกระุ่หน้าแล้ว ขันเฮ็ดใดก็ดีใจน้ำหนูแนมูติตาขั น, นูเฮ็ดบดได้มาละก็เฮ็ดบดได้ได้แต่ตัวเป่ากับเมื่อบ้านบดได้ยังกะให้มีอุเบกขาเด้ออย่าสร้างหนูเด้อหนูเฮ็ดบดได้อย่นีนะพระเพลินกับเจริญพรโยมเลยนะโยมก็อะไรล่ะข้าแต่พระสงฆ์ผู้จเจริญสัตว์ผู้มีทุดีในดวงตาน้อยจะมีอยู่ในที่นี้นี่ทมันจะมีแต่ตัวหนึ่งในธุดีในดวงตาน้ยเนี่ย มันมาร้อยสามสิบสี่ิบชีวิตมันจะมีอยู่ดวงตาตัวหนึ่งแหละที่มันเมตตาบางเถอท่านก็เอาเลยท่านก็แสดงทําให้ฟังเพื่อมันได้คนมีเมตตาดวงตาทูดีในดวงน้อยมันก็ไปทําเลยคนทูตีในดวงตามากมันไปมันก็เหงาอีกแล้วก็เป็นอยู่นั้นแหะไม่เข้าใจทิฏฐิมานะราคะตัณหาขยันทําขยันเข้าขยันเข้าเมตตาแล้วเนี่ยนะคําสอนสืบเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าท่านสอนมายังไงแล้วก็อมาสอนงั้น ขอตั้งใจปฏิบัตินะวันนี้มีอาหารเช้ามาให้ศึกษานะอีกสักหนึ่งชั่วโมงเราจะมากินอีกแล้วว่ากูเบื่อนายดิ <c oughs> กินหลายรอบต่บุบางทีก็จะคิดนะไม่เป็นไรนะวันนี้วันปีใหม่ใช่ไหมวันที่หนึ่งเนี่ยนะกินให้สะใจไปเลยสองรอบบ่ายคำ่ำนะ <c oughs> อย่าให้มันได้ทำมาทำโม่ยัง ไปนี่เงาปานไก่ตกน้ำเละเนี่ยมันเงาเดินจุกมันแรงๆนั่นกระทืบนะจนมดลูกหย่อนนั่นแหะไม่มันง่วงจัดละกูไม่ได้ตายเป็นตายและวะยินะขันเป็นผู้ชายเขาจนใส่ล่งห่อนั่นนะใส่เลื่อนนะวันนี้ไม่มันง่วงมากเราต้องเดินมากเลยอ้าวฮานาวัฒน์นี้เตรียมตัวกล่องนมเลิกเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยโอ้ยอยากอยากอยากวันนี้วันปีใหม่นะจ้าตั้งใจทําดีๆนะจ๊ะ นี่พี่ใหม่อืมพูดเพราะก็เป็นอืม้าวกลับด้วยกันสวยๆเลยจ้ากลับงามๆเลยจ ะ, ะเอา้าวผเธอมันจะบ้าอะไรนี่พูดดีก็หัวเราะพูดชั่วก็หัวเราะเนี่ยแสดงว่ามันอยู่ยงคงกับพันละด่าไม่เจ็บไม่ปวดเอาเลยๆเนี่ยมันไม่มีตัวกูให้ว่าให้กูด้วยนี่หลอกด่ากูมันไม่มีแล้วอันนี้ใจสบายแล้ว